ปฏิป ส, สัมเพตพะอัฐารสกะว่าด้วยองค์18ปของภิกษุที่สงพึงระงับนิยสกรรมหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือหนึ่งไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัย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 ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สามภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8เหล่านี้คือ 1. ไม่งดอุโบสถแกปะกตตะภิกษุ 2. ไม่งดประวารณาแก่ปกตตะภิกษุ 3. ไม่ทำการไต่สวน 4. ไม่เริ่มอนุวาธาธิก่อน 5. ไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. ไม่โจ์ภิกษุอื่น 7. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 8. ไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหละปฏิปัตสัมเพตพระอัฐารสกะจบ